ฟั ง, นะงธรรมกันนะฟังธรรมปฏิบัติธรรมจึงจะคุ้มค่าการใช้จีวออ่าปินทาบาเสนาสนาะเนะ่ยสัสัตของขนทั้งหลายถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่มีประโยชน์ของขนทั้งหลายเหล่านั้น ในเราเร่องหลายด้วยเราเว้มีชะตาออกโวดมาบอกความชั่วมาทำความดีาการรักความชั่วการทำความดีก็มีวิชาปฏิบัติธรรมธรมมฐานเรื่องมือก็มีอยู่แล้ว มีกายนีใจเป็นที่ตั้งมีสติเห็นกายอยู่เป็นประจอมก็เลยมีเกิดขึ้นด้วยกายเป็นความดีเป็นความชั่วจะได้รู้ได้เห็นถ้าเป็นความชั่วก็จะได้ละถ้าเป็นความดีก็จะได้ประกอบขึ้นมาเมื่อมีชติไปในกาย เราจะเห็นจิตพ็เมันอยู่ด้วยกันมันจะแสดงออกมาให้เราได้เห็นต่จากความคิดเป็นทวานของกิจเม่อมันคิดขึ้นมาเราจะได้สอนมันบอกมันเคยคิดอะไรก็ได้เป็นผมนไม่ดี เห็นความดีแต่อาจจะไหลไปในความที่ไม่ไตั้งใจคิดทุกชนเรา จ, จะได้สอนจิตไว้มีสติกลับมาตั้งไว้ที่กายเหมือนพระพุทธเจ้าสอนหรามีสติไปกายคู่แขนเข่าเยียเแขนออก กแูแข่งกูเยอะแข่หนุกใอ้รูสึกตัวอยู่นี่เอาอะก็คิงขนาดที่เราปฏิบัติต้องให้เราได้ตั้งไหวตั้งไว้ตั้งไหวตั้งไหวให้มันความให้มันชำนาญมันจะได้ชำนาญทางกายที่จะรูตรงงานทางจิตใจที่จะรูความรู้ต้องชำนานที่กายที่ใจ มันจะชํานาญเพราะมีเหตุตรงกันข้ามจึงจะได้รู้ถ้ามันมีเหตุตรงข้ามที่เกิดความรู้ก็ไม่มีความชํานาญมีเครื่องชี้วัดมีเครื่องบ่งบอกความชั่วความดีความผิดความถูกความสุขความทุกข์อะไรมาเกิดกับกากับใจแล้วจะได้เห็นมันแต่ถ้าไม่มีสติต้องไว้ที่กายก็ไม่มีการเห็น มักจะเข้าไปร่วมกับทุกอย่างบาปปนไปด้วยอุสนลธรรมอัลลามุกเป็นบาปทางความคิดเป็นบาปทางคำพูดเป็นความผิดทางตวันนั้งหลายตาหูจมูกเลี้ยงกายใจรลับมาสู่จิตสูดใจก็ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติมันก็เป็นจริตนิสัยไป เป็นหลาคาจะหลิดเป็นโทสอจะลิดเน้นโมหะจลิดไม่มีประโยชน์เลยก็าจาะชิงเรานน้ามกของกายของใจเราแล้วก็วเสียชาติตั้งชาติไม่ได้ฝึกตนสอนตนก็จะต้องมีความเกิดเจ็บเกลบตายจีวิตเป็นร่ำเอาไว้วความเป็นความสุขความทุกข์ ออกกายมาเป็นสุขอากายมาเป็นทุกข์ออาใจมาเป็นสุขออาใจมาเป็นทุกข์เราจึงต้องฝึกกาารรมฐานให้มันชำนานถ้ามีความชำนานในความรู้ไปในกายไปในจิตก็จะไม่เาจะให้มีความชำนานต้องต้องทำมีการกระทำเกิดขึ้นนั่งรู้แขวนเข้ารู้จึก อย่าฉหนอกรู้สึกรู้ฉันเข้ารู้สึกรู้สึกตัวรู้สึกตัวกับวิธีบทที่เป็นการเคลื่อนไหวมีสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้ไม่ใช่คิดรู้เอามีส่วนประก็บรู้กันอื่นไม่เอามารู้ที่กายมาเคลื่อนไหวเปนหลักเป็นที่ตั้ง มันนี้ไปทั้งเกิดกลับมาลู่กลับมาลู่ปฏิบัติคือกลับมาลู่มันสุขก็กลับมาลู่มันทุกข์ก็กลับมาลู่ใหตั้งไว่อย่างนี้ให้ตั้งไว้อย่างนี้มันก็จะมีความชํานาญในความลู่ไปในกายสิ่งที่มันเกิดกับใจใจมันก็คิดขึ้นมากลับมาลู่ที่กาออย่าไปห้ามคิด มันดีเพราะมันคิดได้สอนคิดที่มันคิดขึ้นมามันจะได้สอนเมื่อมันคิดให้มันมีความรู้เวลานี่หนึ่งวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนเจดเดือนหนึ่งปีเจปีด้วยความเพียรด้วยความบอกบันทำอย่างนี้ลองดูให้กับมาลูกกับมาลูกตัวอยู่เสมอลูกตัวอยู่เสมอ อนอื่นไปแต่ตีเล็กเล็กน้อยอันแค่กิโลกรัการยืนกินการนอนการผู้จาภาฉายเล็กน้อยอย่าไปเน่นอย่าไปฉีดเส้นทึบกับการกับงานอย่างอื่นเส่นทึบบรรจุที่ก่อยที่จอยของเราเนี่ยให้สนใจเรื่องนี้ให้มากที่สุดแล้วให้ขนขวยให้พยองให้สนทุนก่อนในเรื่องนี้ ห่เหมือนโต ว, วันโตเขินขึ้นมาแล้วเราไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์ในงานบวดตาปโยชป่านรโยชน์ในที่ที่คิดว่ามาหลบมอนลี่ก็ก็กจะงโง่ไปเลยอยื่บ่าเพื่อควาโมโง่อยู่บ่าเพื่อรี่ รือป๋าเพื่อความเกียดข้านคำรับํำลาก็ไม่ได้เรียนไม่เรียนหนังสือไม่เรียนชั่นปริยัตกับเขาไม่มีความรู้ไม่ถือความหลงอยู่ว่าจะได้ความหลงมากสุดวกาได้เพราะไม่มีสูตรที่จะศึกษา จะว่าวิปัสสนาทุละกขันธาทุละกก็ไม่ทำอะไรให้เป็นเป็นงานเป็นชี่นเป็รับที่ชอบในการใช้ชีวิตก็ฟรชีวิตก็ฟรยไปเลยต้องชิไม่ได้ประโยชน์อะไรจากกายจากใจถ้าเราศึกษาประโยชน์ที่ได้จากกายจากใจมันมหาศาร มีผลใหญ่มีอรินนสงใหญ่ผู้ที่หยู่พร้องกับเราก็มีผลใหญ่มีอนในสงใหญ่เป็นประโยชน์ให้เสือข้าเข้าฉกน้ำแจงหรือต่อเนื่องด้วยผู้อื่นเป็นเกณฑ์ที่ฟ้องเราเสมอสงกาผว่เขาไวเขาไม่ออหงาน มันเก็บใจถ้าเราไม่ทาความดีจะเป็นบา ป, าปาข้าเป็นอ้าวกอนข้าวเป็นไฟอีวันเป็นไฟปฏิที่อยู่เป็นไฟโล่นใจเราจึงมีกรรมฐานเนี่ยเป็นชีวิตจิตใจของเราเหมือากาย รูเข้มเข้าอย่ารั้นดอกหัดเก็บความรู้สึกตัวไปในกายทุกรูปแบบมันจะหลงทุกเรื่แบบกว่าแบบรู้ทุกรูปแบบมันจะหลงทางใจทุกรูปแบบกว่ารู้ทุกรูปแบบพอมาที่รู้มันทําได้ทําได้มันไปประปกบไปชี้วัดกับอะไรที่ไม่ใช่ความรู้มันจะทําได้ทุกอย่างแปลตัวเฉลวย เรื่องที่เกิดเกิดไปก็ใจเราจึงขวนขวยเรื่องนี้ก่อนให้มากที่สุดลำดับลำนำการชีวิตจะนอนเวลานี้จะตื่นเวลานี้จะทำเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ให้เป็นเรื่องกรรมฐานให้กรรมฐานขึ้นสมอง มันกีความสําเร็จตากรรมาฐานขึ้นสมองขงกายทั้งใจเป็นทวารของกรรมมาฐานไปที่ตั้งความรู้จึกตัวอันอื่นแม้มันจะเกิดขึ้นก็ให้ที่ตั้งเข้าไปให้กรรมาฐานคือสติเข้าไปตั้งแทนมาในรูปแบบไหนก็รูปเข้าไปแทนรูปเข้าไปแทนรูปเข้าไปแทน เรงเกับกายกับใจตอนลูกเข้าไปแทนเรื่องนอกกายนอกใจก็มาลูกที่กายที่ใจออกมาสอนกายสอนใจภายนอกก็มาสอนกายสอนใจมันมีกายมีใจเท่านั้นที่ไปเป็นทาน้าวันรับกรับรสชาติภายนอกเราจึงรับให้ดีรับให้ดีรับให้ดีมาไล่เป็นดีมาไล่เป็นดีม า, าลมา่เป็นลูกมาผิดเป็นลูก มีไอ้โลกนี่มีรสชาติโลกไปมีรสชาติแต่เราไม่เก่งนะมัจะมันจะถูกโลกทับถมเหมืนช่างขี่คนถ้าเราเก่งแล้วก็ขี่ช่างโลกเหมนช้างรสของโลกเหมือนช้างถ้าเราไม่เก่งเราก็ไม่ได้ขี่ช่าง เราจำต้องฝึกตนสอนตนแก้ไขตนเตือน ต, น, ต, น, ตนมีสติโดยวิชากรรมฐานไม่ได้ขอกับใครสิทธิร้อยเปอร์เซนมาอะไรก็รู้ได้รู้ได้ตั้งหลักให้ดีตั้งหลักให้ดีตั้งหลักให้ดีที่ตั้งให้ดีไม่ที่ตั้งเอาไว้ตั้งเอาไว้เหมือนฉบับนีชํานานมากขึ้น ถ้ามีสติชำนาญไปในกายในใจแล้วอัดอื่นก็ลาบเทียบไปได้จศเลพันห้าตนารอยแปดมันก็เป็นการศึกษาปฏิบัติปริยัติแต่ตัวเสร็จแม่เรื่องปริยัติก็เรื่องเกิดกับกายกับใจไปวิชาการที่บาง่าสอนให้รู้ใครก็สอนได้สอนอย่างนั้นไปเรียนเอาไปจำเอา แต่มันไม่ลงตัวก็เราเห็นตั้งแต่นี่มันลงตัวยังไปสอนคนเรารู้ถึงใดสอนถึงด้านแล้วเป็นคนเช่นไหรก็สอนคนให้เป็นเช่นนั้นได้ความถูกมันต้องถูกไปส่งต่อไปแต่ความผิดมันไม่ขีหลังยังง่งยนืนอยู่ไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ในกายเรานี่ในใจเรานี่ยผิดแล้วผิดดีผิดแล้วผิดผ ด, ดีทุกแล้วทุกอีก ยังอมจำนวนต่อความผิดยอมจะนวนต่อความทุกข์แต่มัไม่ใช่เราคิดของเราต้องมีสละจากที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษจนไม่มีภยัยเพามันจานานมีสติชํานาญไปในกายในใจอู้เฉียนเขา้าเถื่อนเฉียนออกอู้เฉีเขา้าเถือนเฉียนออกแล้วมันมีความชํานาญ งานทางนี้เขาก็หมดงานทาำเหมือนกคนที่เรียนนวิชาการไม่รู้ว่าใครเป็นครูอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่าใครเป็นหมออยู่ที่นี่ไม่เค่ว่ า, ารู้ว่าใครเป็นช่างไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรแต่เวลาเขาแสดงออกเขาก็เป็นแสดงความเป็นหมอแสดงความเป็นช่างแสดงความเป็นครูสอนได้เช่น ลูกาที่เลียงมามันไม่ได้นั่งฝึกตลอดเวลาความรู้สึกตัวไปในกายผวามรู้สึกตัวไปในใจไม่ใช่เหมือนฝึกตลอดเวลาถ้าเหมือนชำนาญแล้วก็ใช้ได้เลยใช่กายสะดวกใช่ใจสะดวกให้เกิดความดีทุกกรณีมาอย่างไรก็เกิดความดีได้ไม่เป็นอื่นแน่นอนออกกายว่าใจมันเป็นเครื่องมือลบ ความดีความถูกต้องวันถูกต้องอยู่ที่กายามัถูกต้องอยู่คิดใจนีนไม่ใช่แ้แต่ความเป็นธรรมก็อยู่ที่กายที่ใจนี่ไม่ใช่ไปหาความไม่ธรรมนอกกายนอกใจเทียกล่องความถูกความผิดแก่ดออื่นไม่ถูกแก้ไม่จบแต่เหมือนเช่ที่กายที่ใจนี่จบเป็น เราจึงเริ่มต้นฝึกกรรมฐานเป็นวิชาเอกเป็นทานที่จะให้เราเดินไปสู่จุดหมายปลายทางได้เอกระหนึ่งระเด่มนมาใช้เอกวิชาการเอกกรรมฐานชำนาญกรรมฐานไม่มีชำนาญที่จะยอดเยี่ยมกว่ากรรมฐานมีสติปไปในกาย นอนเป็นชีวิตของเราชํานาญเรื่องอืนเป็นเรื่องอืนเกี่ยวข้องกับกายกับ ใ, ใจเอกในฌาดเอกวิธีฌาดออต่อางๆมันนอกกายนอกใจเอกกรรมฐานมันเรื่องของกายของใจมันมันมีอะไรอยู่ที่นี้ความโกรธความโลภความหลงความล้ความชัง่งคกคทุกข์ไ ม, ม่ความเคยช้แฉเจ็บตาย เ, เดี๋ยวนะเดี๋ยวมันเจอกันใ้วันตาบทุกก็เป็นทุกข์เป็นสุข ก, ก็เป็นสุขอยู่เช่นนั้นถ้าเอกเต็งกับวัฏฏา น, นหมดเลย ไ, ไม่มีไหลเหลือเลยเป็นจิตบริสุทธิ์เป็นกายบริสุทธิ์แล้วก็มีประโยชน์ในชาติที่เราเกิดตานี่ไม่มีอะไรทียิ่งใหญ่เท่ากับมารู้รังกายรัรงใจงการรู้รังกายรังใจต้องฝึกกรรมฐาน ให้โอกาสกันแล้วค่าขนขวยให้ตัวเองให้มากนลำดับลำลำการ ช, าชี้วิประจํา g วัดให้ดีสิ่งแวดล้อมสร้างขึ้นมาไม่มีสิ่งแวดล้อมให้เราเราก็สร้างสิ่แวดล้อมที่ดีขึ้นมาแบกหลงไปกรรมาฐานหลงทุกพื้นที่กินเข้ากรรมาฐานอาบน้ำกรรมาฐานแปลงพันกรรมาฐาน ทำงานทำการเป็นกรรมฐานที่ตั้งของการกระทำไม่สติได้ทั้งนั้นเพราะมันเอากายเอ า, าใจใด้ทำมันมีรูปมีนามมันเคลื่อนมันไหวมันโยกมันแบกมันคิดใจความคิดใจกายทําความดีความดีที่เกิดจะกกาจากใจเป็นมรรคเป็นผลความดีที่เกิดจะกกาจะกลายเป็นรูปเป็นนามเป็นกติเป็นสาลาเป็น เพิ่มใช้ม่อสอยแล้เป็นประโยชน์ตัวคนอื่นด้วยความดีที่เกิดจากกอดจาะใจถ้าไม่ฝึกความดีไม่มีในาการเจาะใจอาจจะมีโทษโกรธเราจาะกาดจาะใจสับยตัวเองเป็นทุกข์ทำลายตัวเองเป็นสุข ท, ทำลายตัวเองให้คนอื่นเดลอ้อนด้วยเอาจนเพียงพอนะกับมรรคฐานเนี่ย เป็นการกระทำที่ควบคุมคบวงจรให้ ข, ขวนขวายอะไรจะดีที่อยู่มันจะดีมันดีตรงไหนดีตรงที่เราฉันาาดาวันเสร็จตอนเช้าตอนเป็น กับปติของตนหวางบาทหวางภาชนะอื่นลงน่งตั้งกาให้ตรงมีสติคู่เฉินเข้าเหฉินออกรู้สึกตัวกินข้าวเอี่ยมเพื่อมาใช้ทา ง, งานเรื่องนี้ อันเพื่อจะกับกติของตนนั่งตั้งขายให้งลู่เฉกตัวหรือโดนจงกลมให้หลู่เฉกตัวเอาไหลให้ลู่เฉกตัวหรือมีจิตกรรมเดินก็ให้หลู่เฉกตัวเอาหนากินข้าวแล้วรีบจับขันไถ่รีบจับจอบจับเสียมเอาไหลกรรม กินข้าวแล้วรีบด่ายย่ารีบปลูกต้นไม้ให้ลดน้ำต้นไม้มีหน้าที่เป็นหมอกินข้าวแล้วรีบไปดูหมอคนป่วยรับผิดชอบคนป่วยต้องรีบวิ่งเอาไปรีบไปติดตามเปิดสูตรโดยจะรับตรงไหนตรงไหนตรงไหน ลำดับลำนาถูกต้องแล้วต่อไปอะไรที่เป็นคำถามบอกมาจากหมอควรตะเป็นงานของหมอที่ทำมารู้จักคนป่วยรู้จักโลกมีเกณฑเอาไว้ชี้เอาไว้บ่งบอก่อจังไหนแก้อะไรตไหนอาการอย่างไรไม่ได้สุ่ง มันจำนานหนุ่ยช่างทํางานทําการวางแผนทำหรับขั้นตอนมันบอกอะไรตรงไหนงานอยู่ตรงไหนแก้ตรงนั้นปัญหาตรงไหนแก้ตรงนั้นต่อติมตรงไหนต่อติมตรงนั้นมันบอกงานมันบอกกันจะเสร็จ คนท ำ, น า, ำนาชานาญในการทำํำนาํนทนทนาทําไร่ก็ชำนาญในการทำไร่แต่ช่างก็ชํานาญในการก่อสร้างหมอกระจำกานในการดูแลรักษาคนป่วย <c oughs> <c oughs> ถูกต้องไม่ต้องสุ่มดูเรื่องลู่เหล่หาไปทํางานไปที่ไปที่ถูก ไปตรงที่งานมีทมไปบ้าใครเป็นนักทำงานต้องรู้จักงานไปแล้วก็จมจำที่นั่งปั๊บทำงานทันทีอยูทุกสิ่งก้นหนึ่งอยู่ภาคใต้ก็บมาววดที่นี่วดที่นี่แล้วบ้านเขาเป็น ส, สวยเติผมทำทุก อ, อย่าง ส, าง ส, าง ส, างสวยก็ทางแม่ทั้งลูกแล้วก็พาเรากลับตอนนี้วันเราไปบ้านเขาบอไปถึงบ้านจนที่จะไปทำอื่นก็คนเราบริการอยู่ที่บ้านเต็มไปหมด พอไปถึงบ้านเขาไม่นั่งเลยจับกันไปตัดผมนาทียืนตัดผมจับจับจทั้งทีเลยมาอยู่กับเราเราบุรุษเขาเป็นช่างตัดผมจ้างเสรมสวยพอไปถึงบ้านเขาแสดงความเป็นช่างขี่มือการเสริมสวยตัดผมมาเดินนั่งคุยกันเลยไม่ได้นั่งคุยกับพ่อกับแม่เลยพอไปถึงบ้านจับเครื่องมือเดินไปตัดผมเลย นี่คือคนรู้จักงานจัด ก, การแล้วก็เสร็มันก็เป็นงานขึ้นมาเราเนี่ยมามีสติภายในกายต้องชำนาญนท่านตรงไหนตรงไหนตรงไหนต่อตาตรงไหนแกะตรงไหนงานอยู่ตรงไหนก็มีความชำนาญมากขึ้นนั้นก็ไม่เมื่อมีความรู้สึกตัวก็มีความหลงตรงกันนี่ก็ทำเรื่องเดียวทำเรื่องเดียว กิกับกายก็ทำเรื่องเดียวรู้เรื่องเดียวเกิดกับใจก็รู้เรื่องเดียวทำเรื่องเดียวหรีมีงานใน้จบางทีก็คิดพุ้งซ่านนั่นแหละกับหมาลู่ถึกตัวมาจะชำนาญในความรู้ให้มันพุ่มซ่านขึ้นไปมันจะไปถึงไหนเดินเตลเป็นควันมาดูนด่น มันไม่คิดอะไรมันว่างโรงโป่ง ก, ก็อาจะไม่มีรถไม่ชาตินะปฏิบรรัติทำมาที่ก็ว่างไม่มีอะไรเลยไม่มีรสไม่ชาติมันคนพุ่งซ่านไม่สนุกดีแต่คนออกมาเป็นเรื่องไม่ดีไม่ชอบมันไม่ดีมันพุ่งซ้านมากเครียดแต่มันไม่ใช่เป็นชินละเปาะของเราแล้วที่จะต้องลูก ตัวเองเกิดข um ึ้นมาไม่ฟ้าบางลูกจะทำยังไงอาจารย์มันว่างไปหมดเลยไม่รู้อะไรเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเลยว่างไปหมดเลยไม่มีรสชาติเลยเขาบอกเขาลําดับรู้แขนเข้ารู้สึกตัวแขนฉขนออกสึกตัวมันจะว่างอะไร มันเต็มไปด้วยความรูกมันก็ว่างก็ใช่แล้วถ้ามันว่างองนไม่มีงานไม่มีอะไรมันก็ว่างอันตรพานอ้กันเยอะแฉนหนอโอแฉนเข้าเยอะแฉนหน อ, อ, อ, น อ, น อ, อลู่สุดตัวนี่แหละมันนี่เป็นรูปนี่เป็นนาม นี่รูปเนี่ยเล็กนึกมันรูปไม่มีรูปไม่มีน้ำมันเชงรูปจับยกขึ้นมามันรั่วโอ้มันมีน้ำมันเคลื่อนไหวนี่เคลื่อนอยู่นี่เป็นรูปตอนที่มันให้เคลื่อนให้ไหวเป็นมันเป็นตองมัทํารูปนี้เป็นอย่างไรมันเป็นทุกอย่างไรไม่เที่ยงอย่างไรลำดับลำลำดูรูปทานําทําอย่างไร เป็นรูปสมมุติอย่างไรเป็นน้ำสมมุติอย่างไรเป็นสุขเปนทุกข์อย่างไรก็จะกรูปจนนามนี่ลำดับไปแต่มาเม่มีอะไรมันว่างไม่ใช่ว่างลำหนับเหมือนกับเหมือกับรถเติดโคนมันม น, ดด น, น, นิ่งไปไม่ได้ก็ถอยหลังบ่าพุ่งไปถอยหลังพุ่งไปถอยหลังพุ่งไปมันจะมีแรงมากขึ้นมากขึ้นก็มาลูบมันลําดับอาลงของตนเอง ไดหลอกได้ฐานมานี่เป็นรูปเป็นนามนี่เป็นอาการที่เกิดกับรูปนี่เป็นอาการที่เกิดกับนามนี่เป็นอกุศลไม่ดีที่เป็นกุศลดีมาพ่อมันรู้ไ ป, ไปมันไม่ว่างมันไม่พุ่งอะไรถ้ามีความรู้มันไดประโยชน์ต้องสองอย่างว่า้างก็คือรูปพุ่งก็คือรูปนี่หลักมันเป็นอย่างนี้ ไปกลัวอะไรไปยากอะไรไปง่ายอะไรเอาอะไรเป็นเรื Rainbow, crabs recur, crabs ่องยากเอาอะไรเป็นเรื่องง่ายเอาอะไรเป็นเรื่องผิดเอาอะไรเป็นเรื่องถูกไม่มีแต่ลู่ไว้ลู่ไว้ลู่ไว้เหนือหมอเหนือเมฆไปเลยเหนือเมฆไปเลยสตินี่ลอยตัวเลยข้อหมัวทุกอย่างขีดคอมันทุกเรื่องมันทุกข้อขีดคอความสุขมันสุกก็ขีดคอความทุก อะไรเใช่มันเกิดเครื่องวาก็ชี้ีคอันเลยยิ่งใหญ่ผมรู้จักตัวเนี่ยมันชวนให้ขยันเนะเวลาเราฝ็กไปเนี่ออยอายูโฟลองสองสองวาวัยโอ้รสชาติดีมากนะข <c oughs> ยันเนาะะเดียวคนเดียวเนี่ยไม่รู้จักหลับจักนอนเลยต้องฟ้าตื่นตีสองตีหนึ่งตีสองนอนที่มไดสบาย ยึเกนมามองไปไม้กระตีสูงสูงอยู่นอขาก็ว่าได้มองไปเห็นผู้โขเห็นผู้โขตรงว่าสางเสติอยู่ที่เมตางเป็นกระจุกตรองเมตต์ก็ทาหลังขาหลังขาปูหลังขาหลังกระหลังกาหลังกร โบแสงมันก็มีแสงสว่างมาพื้นขัดไดีๆเอาขัดดีลงอยู่ในเทีนแลยคือมันแสงสว่างเกิดขึ้นหลางๆแสงเงินแสงอะไเกิดขึ้นมันสองแสงเหม่อเรานั่งตั้งสติโอ้มันไม่มรลชา่าดีนะมันก็ขยันแบบนึงนะอยู่คนเดียวเลยมันไม่รู้จกหลับจะนอนนรอกมันมาอยู่นี่ทำไมไมันนอนจริงวะ ตอนเจ้านอนเอานอนเอาอยู so so ่น้อไม่รู้จะนอนเลยนะเอาสอนหมือนเพียนเนีชวนหลวพอกรมไว้ให้หลวงพ่มนั่งอยู่นี่ทีหลวงอกรมนั่งข้างนอกกลับมานั่งข้างในจะได้บรรลุธรรมเลยน้องไปที่มอนั่งขัดสมาธิดีขัดสมาธสองชั่นอุ้เลยเออเลยนั่งขัดมือที่นนั่งมันตัวตรงหลังจะไม่งอโอ้ เออมันมีรถมีเท่าแล้วตนะอนนั้นเองมันสร้างบรรยากาศได้กับตัวกันไดกันเอออยนางดีไม่ดีไม่ ด, มดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีไม่ใช่อแต่มนะองเออวนรอบลื่นอ่ะจำควรเจอเวลานะ